ประเภทของนิพพานการแบ่งประเภทนิพพานที่รู้จักกันทั่วไปคือที่แบ่งเป็นนิพพานธาสองตามคำภีอิติอุตกระในคำภีอภิธรรมัตสังคหะเรียกการแบ่งอย่างนี้ว่าเป็นการแบ่งตามปริยายแห่งเหตุหรือการณะปริยายา ลราแสดงวิธีแบ่งอีกอย่างหนึ่งตามประเภทแห่งอาการเป็นนิพพานสคือสุญญาตานิพานอ น, นิมิตานิพพานและอปะนิหิตานิพพานการแบ่งประเภทนิพพานที่รู้จักกันทั่วไปคือที่แบ่งเป็นนิพพานธาตุสองตามคำพีอิติวุตกะได้แก่ 1. นึ่จากอุปาทิเศสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือหรือนิพพานยังมีเชื้อเหลือ 2. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุไม่มีอุปาทิเหลือหรือนิพพานไม่มีเชื้อเหลือสิ่งที่เป็นเกณฑ์แบ่งประเภทในที่นี้คืออุปาทิซึ่งอัถกถาอธิบายว่า ได้แก่สภาพที่ถูกกรรมมากิเลสถือครองหรือสภาพที่ถูกอุปาทานยึดไว้มั่นหมายถึงเบญจขันธ์หรือขันห้าเมื่อถือความตามคำอธิบายนี้จึงได้ความหมายว่าสอุปาที่เสสนิพา น, นธาตุได้แก่นิพพานยังมีเบญจขันธ์เหลือหรือนิพพานที่ยังเกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์ อนุปาที่เสสนิพานธาตุได้แก่นิพานไม่มีเบญจขันธ์เหลือหรือนิพพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์นิพพานอย่างแรกหลายความหมายกันต่อไปอีกว่าหมายถึงดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลือได้แก่นิพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกับคําที่คิดขึ้นใช้ในรุ่นอัทธกถาว่า กิเลสปรินิพานหรือกิเลสปรินิพานคือดับกิเลสสิ้นเชิงส่วนนิพานอย่างที่สองก็แปลกันต่อไปว่าดักกิเลสไม่มีเบญจขันเหลือได้แก่นิพานของพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีวิตตรงกับคําที่คิดขึ้นใช้ในรุ่นอรตถกาถาว่าขันธ์ปรินิพาน คือดับขันห้าสิ้นเชิงเพื่อความแจ่มชัดและให้ผู้ศึกษาพิจารณาด้วยตนเองขอคัดข้อความตามพระบาลีเรื่องนี้มาลงไว้ดังนี้แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคองค์อรหันต์ได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุสองอย่างเหล่านี้กล่าวคือสอุปาที่เสสนิพพานธาตุและอนุปาที่เสสนิพพานธาตุภิกษุทั้งหลายสอุปาที่เสสนิพพานธาตุเป็นชนหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบรมจัจาร์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระลงได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้วมีสังโยชน์เรื่องผูกมัดไว้กับภพบหมดสิ้นไปแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบอินทรีห้าของเธอยังดำรงอยู่เทียวเพราะอินทรีย์ทั้งหลายยังไม่เสียหายเธอย่อมได้สวยอารมณ์ ท, ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจย่อมสวยทั้งสุขและทุกข์อันใดเป็นความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะของเธอ อันนี้เรียกว่าสอุปาที่เสสนิพานธาตุภิกษุทั้งหลายอนุปาที่เสสนิพานธาตุเป็นชนหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วลาจนถึงหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบอารมณ์ที่ได้เสวยคือเวทยิตาทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของเธอ ซึ่งเธอไม่ติดใจผัวพันแล้วคืออนะพี่นันทิตกจะเป็นของเย็นข้อนี้เรียกว่าอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุต่อจากนี้มีคถาสำทับความอีกว่านิพานธาตุสองอย่างเหล่านี้พระผู้ทรงจักสุผู้คงที่ไม่ขึ้นต่อสิ่งใดได้ทรงประกาศไว้แล้ว คือนิพพานธาตุอย่างหนึ่งเป็นทิฏฐธรรมิกะคือมีในปัจจุบันหรือทันตาเห็นชื่อว่าสอุปาทิเสศะเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนําไปสู่พบส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นสัมปราญิกะคือมีในเบื้องหน้าหรือเป็นของล้ําเป็นที่พบทั้งหลายดับไปหมดสิน้นชื่อว่าอนุปาที่เสศะ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 พูดอีกอย่างหนึ่งว่าใช้บุคคลผู้บรรลุนิพพานเป็นอุปกรณ์สำหรับทาความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานไม่ใช่เป็นการบรรยายภาวะของนิพพาร ล, ล้วนโดยตรงทั้งนี้เพราะภาวะของนิพพานเองแท้เป็นสันทิติกะอันผู้บรรลุจะเห็นได้เองและเป็นปัจจตังเวทิตบพังวินยูหิอันวินยูชนรู้ได้เฉพาะที่ตัวเอง ดังเด็กล่าวแล้วข้างตน้นโดยในยะนี้การอธิบายโดยแบ่งนิพพานเป็นสองอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างหรือล้ำลึกไปกว่าที่ได้อธิบายมาแล้วข้างตน้นในตอนที่ว่าด้วยภาวะของนิพพานและภาวะของผู้บรรลุนิพพาน